ส่วนที่สการทากุศลให้ถึงพร้อมการทำกุศลให้ถึงพร้อม ก, กุส ล, ลัสู่ประสัมพดาในที่นี้ถ้าตั้งปัญหาถามว่าทำไมไม่ใช้คำว่าทำบุญมาใช้คำว่าทำกุศลเพราะเหตุอะไรและทำไมในประธานสี่เวลาเว้นบาประวางบาปอากุศลจึงใช้คู่กันเลย มีทั้งบาปทั้งอกุศลเช่นระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วพอมาถึงภาวนาประธานไม่มีคำว่าบุญมีแต่กุศลอย่างเดียวไม่ควบด้วยบุญเช่นเพียรพยายามให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคำว่าบุญกับคาว่ากุศลต่างกันอย่างไร ท่านพระธรรมวปีดกเขียนไว้ว่าสางวรรัประทานเพียรระวังหรือเพียรปิดกัน้นคือเพียรระวังยับยั้งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นส่วนภาวนาประทานท่านแปลว่าเพียรก่อให้เกิดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้าความดีใช้กุศลธรรมอย่างเดียวไม่ควบกับบุญ เลยมีปัญหาว่าบุญกับกุศลนี้ต่างกันอย่างไรบุญกับกุศลนี้ใช้เป็นไวยพจน์กันได้แต่บางแห่งก็แตกต่างกันบางทีก็ปุญญาพิสันดากุศลาภิสันดาแปลว่าการหลั่งไหลของบุญการหลั่งไหลของกุศลอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะพิจารณาดูให้ชัดเจน บุญจะเป็นฝ่ายของโลกียะเช้เป็นส่วนมากถ้าไม่มีคำอื่นขยายหรือเป็นกามาวจรในระดับที่ให้เวียนว่ายตายเกิดในพภพภูมิมนุษย์กับเทวดาหกชั้นอนุภาพของบุญจะไปเพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นกุศลจะไปเป็นโลกุตระกุศลก็มีถ้าเป็นฝ่ายโลกีย์จะใช้คำว่า โอปัติกลางบุญยังถ้าใช้บุญในความหมายโลกุตระใช้คําว่าอะโนปัติกลางบุญยังบุญที่ไม่เป็นไปเพื่ออุปธิไม่เป็นไปเพื่อขันไม่เป็นไปเพื่อกิเลสถ้าโอปัติกลางบุญยังเป็นไปเพื่อขันเพื่อกิเลสหมายความว่าทําบุญซักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องมีขันอยู่เช่นเรื่องทานเรื่องศีลให้ทานเท่าไหร่โดยวิธีใดก็ตามรักษาศีลสักเท่าไหร่โดยวิธีใดก็ตามฤทธิของทานของศีลก็อํานวยผลให้ไปได้เพียงแค่มนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นไปไม่ได้แม้แต่พรหมโลกฉะนั้นก็ใช้คำว่าโอปัติกลางปุญยังในที่พระท่านสรุปว่า สีเลนะสุขติงยันติก็หมายถึงมนุษย์กับสวรรค์สุดท้ายที่ว่าสีเลนะนิพุติงยันติอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะให้ไปสู่พระนิพพานแต่ถ้ารักษาศีลอย่างเดียวโดยไม่ทำอย่างอื่นไปได้แค่กามาวจรจะไปสวรรค์ชั้นพรมไม่ได้ที่นี้คนติดสวรรค์ บางสำนักว่าบริจาคสิบล้านจะไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นคนก็อยากไปสวรรค์แต่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าเทวดาที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปทำอะไรในภพของตัวนะได้มาจากภพที่เป็นมนุษย์นี่แหละพระสารีบุตรแสดงธรรมอยู่เรื่องสั่งโยตภายในสั่งโยศภายนอก เทวดาก็ฟังฟังแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรแสดงธรรมไพเราะจริงขอพระพุทธเจ้าไปบอกกับพระสารีบุตรหน่อยเถิดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปหาพระสารีบุตรและตรัสกับพระสารีบุตรว่าเนื้อที่เท่าปลายเหล็กแหลมนี่ก็มีเทวดาอยู่ได้ถึงส0บถึงหกสองค์โดยไม่ยัดเยียดกันเลย แต่ว่าสารีบูตรอยาคิดนะว่าเทวดาผู้ที่มีจิตเช่นนี้จะได้อบรมมาแล้วในภพที่เขาบังเกิดอันที่จริงเทวดาพวกนี้อบรมแล้วในศาสนาของเรานี่เองคือเทวดาที่เป็นอย่างนี้เสวยสมบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้อะไรมาจากภพที่เขาเกิดก็ได้มาจากที่เป็นมนุษย์นี่แหละ เพราะฉะนั้นสารีบุตรพึงสำเหนียกว่าเราจะเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบเมื่อใจสงบกายวาจาก็สงบไปด้วยสารีบุตรเธอพึงศึกษาว่าเราจะนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปพบเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายเธอควรศึกษาอย่างนี้แหละดูก่อนสารีบุตรพวกเดียรถีปริพาชก ูไม่ได้ฟังธรรมนี้ก็พากันเสื่อมจากประโยชน์แล้วมีเรื่องเทวดากับนอนตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นเพื่อนกันคนหนึ่งทำดีไปเกิดบนสวรรค์คนที่ทำไม่ดีไปเกิดเป็นนอนอยู่ในซ่วมของวัดเพื่อนที่เปกเกิดเป็นเทวดาสงสัยว่าเพื่อนอยู่ไหนก็ตรวจดู เห็นเพื่อนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุว้มวัดก็สงสารอยากให้ไปเกิดในสวรรค์ลงมาชวนว่าเพื่อนไปเกิดบนสวรรค์เถอะนอนก็ถามว่าบนสวรรค์ดียังไงก็บอกว่าบนสวรรค์นี้ดีสะดวกสบายอยากจะกินอะไรก็เพียงแต่นึกก็อิ่มแล้วหนอนก็บอกว่าแหมสงสารเทวดาจะกินยังต้องเสียเวลานึกอีกข้าเป็นหนอนไม่ต้องนึกอะไร แค่อา้าปาก็อิ่มแล้วคือความประนีตความสุขที่สุขขุมกับที่หยาบไม่เหมือนกันเขาก็สุขตามปราษาเขาคือเมื่อยังไม่ได้ความสุขที่ประนีตกว่าเขาก็ถือว่าความสุขที่ได้นั้นยอดเยี่ยมแล้วเหมือนเด็กเล่นโคลนมีความสุขกับการเล่นโคลนเล่นทรายถ้าไปห้ามก็ร้องแต่ถ้าโตแล้วรู้เรื่องแล้วก็จะไม่เล่น ไปเล่นของที่สะอาดกว่าประนีดกว่าความสุขของคนที่ดื่มสุราเขาก็รู้สึกว่าเป็นความสุขของเขาแต่ผู้ที่เลิกสุราแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ประนีตกว่าการดื่มสุราเป็นไหนไหนเห็นว่าความสุขจากการดื่มสุราเป็นความสุขที่หยาบเจืออยู่ได้โทษนาน า, นาประการหัวข้อต่อไป บุญที่มีวิบากโอปปธทกลางบุญยังบุญที่มีวิบากหรือเป็นไปเพื่อขันหรือเพื่อกิเลสอโนปปะทิกลางบุญยังบุญที่ไม่เป็นไปเพื่อขันเพื่อกิเลสนั่นก็คือเท่ากับกุศลเป็นไปเพื่อตัดภพตัดวัตตะบุญที่ให้ผลเป็นความสุขความพอใจในสวรรค์เป็นต้น ก็มีปรากฏในหลายแห่งที่เรียกว่าโอปฏิกัางปุญญังยังต้องเวียนว่าอยู่ในสังสารวัติมีที่มาในสังยุตตนิกายเล่มที่15หสขาทวักสักกัสสังยุตเท้าสักกะจอมเทพได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญบูชาอยู่ทำบุญอนอำหนวยผลเป็นขันหรือเป็นกิเลส ที่ท่านว่าโอปัติกังปุญญังทานที่พวกเขาให้แล้วที่ใดจึงจะมีผลมากพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าพระอริยะบุคคลแปดจำพวกคือท่านผู้ปฏิบัติอริยมรรคสี่จำพวกดำรงอยู่ในอริยผลสี่จำพวกนี่แหละคือสงผู้ซื่อตรงเป็นผู้มีปัญญาดีมีศีลมีสมาธิ ทานที่ปคคลุกคนให้แล้วในสงเช่นนั้นมีผลมากแก่สัตว์ผู้มุ่งบุญบูชาอยู่กุศลที่เป็นไปเพื่อทำลายโลภโกรธหลงก็อำนวยผลเป็นการทำลายตัวตนเป็นการทำลายขันและทำลายทุกข์ไปด้วยในตัวมีอีกแห่งหนึ่งในอัทธกานิบาตอังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคล8ดจำพวกเป็นผู้ควรบูชาควรต้อนรับควรทำทักษินาควรทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกคือพระโสดาบันหนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลหนึ่งเรื่อยไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์คำสรุปตอนท้ายก็คือโอปัติกลางบุญญังเหมือนกัน มีอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในขุทกานิการอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า205พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายยังใดอย่างหนึ่งที่เป็นโอปัิกะบุญบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายนั้นไม่ถึงเซี่ยวที่16ของเมตตาเจโตวิมุต คือการเจริญเมตตาจนได้ฌานเซี่ยวที่16หมายความว่ามีของชิ้นหนึ่งตัดออกเป็น16ส่วนแล้วก็ในหนึ่งส่วนเอามาตัดอีก16ครั้งนี่เรียกว่าเซี่ยวที่16คือไม่ถึงเซี่ยวที่16ของเซี่ยวที่16หในวงเล็บคือตัดอีก16ครั้งเหตุผลก็คือว่าการเจริญเมตตาจนได้ฌาน เป็นการก้าวเข้าทางของความสิ้นอุปธิในโอกาสต่อไปถ้าถือเอาเมตตาเจโตวิมุตินั้นเป็นต้นทางแล้วก็เจริญวิปัสนาต่อก็จะได้อริยมรรคอริยผลก็เป็นไปเพื่อความสิ้นขันสิ้นกิเลสบนทางที่จะให้อยู่เหนือบุญก้าวขึ้นสู่โลกุตรกุศน การทำบุญให้ได้ผลมากการทำบุญทำกุศลหรือการทำความดีที่ลงทุนน้อยแต่มีผลมากตามลำดับมีในกูตะทันตสูตรที่คณิกายใช้ทรัพย์น้อยมีการเตรียมน้อยแต่ให้ผลมากโดยลำดับ 1. การให้ทานเป็นนิดอุทิศท่านผู้มีศีล 2. สร้างที่อยู่อาศัยอุทิศสงฆ์ซึ่งจอมาจากสี่ทิตสมัยนี้อาจจะลงทุนมากนะครับแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านสร้างกันเล็กๆพอตัวนอนได้กว้างไม่ได้ผิดวินยัย 3. ไตรสรณะคมคือการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหรือแสงสว่างนำทางชีวิตส การรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์5การออกบวช ด, ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลของบรรพชิตอันนี้จะเห็นว่าเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากตามลําดับการเข้าถึงไตราสารณาคมต้องเข้าถึงด้วยปัญญาแต่แม้กระนั้นแม้จะเข้าถึงแบบโลกียะแต่ว่าเป็นการเข้าทางคือเส้นทางของชีวิต ถ้าไปทางนี้แล้วมันจะลดภุกลงได้มากเรียกว่าเดินถูกทางแล้วปฏิบัติตนถ่ายแบบพระอริยะการเข้าถึงไตรสรณคมเฉยๆก็ยังไม่เท่ารักษาศีลห้าและการรักษาศีลห้าก็ยังไม่เท่าการออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอีกแห่งหนึ่งที่จะชัดขึ้นคือในเวลามัสูตรอังคุตรนิกายนาวกานิบา พระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ224พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่อนาถบินิกะเศรษฐีถึงอานิสง์ของทานและบุญกุศลที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากโดยลำดับเหมือนกันคือเศรษฐีท่านจนลงตอนนั้นของที่นำไปถวายพระก็มีแต่ปลายข้าวกับผักดองแล้วก็เป็นของเศร้าหมอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคิดว่าเป็นของเศร้าหมองคือถ้าทำใจให้ดีแล้วทักษิณาชื่อว่าเศร้าหมองนั้นไม่มีตามลำดับคือหนึ่งการให้ทานแก่โลกิยะมหาชนอย่างที่เวลามะพรามเคยทำมาเวลามะพรามคือพระองค์เอง สมัยที่เป็นเวลามะพรามสมัยนั้นไม่ได้ใครเป็นทกักษิในยบุคคลเลยให้ทานมากตั้งเต่ายาวเหยียดเป็นโยดเลยถาดเงินถาดทองอย่างละเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมหาทานเช่นนั้นยังสู้ถวายทานแกโสดาบันผู้เดียวไม่ได้ถ้าถวายโสดาบันจำนวนร้อยยังสู้ถวายสกิทาคามีผู้เดียวไม่ได้ เรื่อยขึ้นไปจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นร้อยสู้ถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ต่อไปในทำนองเดียวกันจนถึงทานที่ถวายสงเป็นร้อยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็มีอานิสงสงมากที่สุด เพราะอันนี้เป็นสังฆทานซึ่งให้ผลมากกว่าให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะเป็นปาติบุคคลิสทาน 2. การสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ซึ่งจรมาจากสีทิมีผลมากกว่าข้อหนึ่งรู้สึกท่านยกย่องเสนาสนะทานมากอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลในสังคมไทยที่ทำให้คนชอบสร้างเสนาสนะ ทำให้เราต่อไปไม่ถึงข้อหลังๆงมวติดอยู่ข้อสอง 3. การมีจิตเลื่อมใสถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีผลมากกว่าข้อสอง 3. การรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีผลมากกว่าข้อสามาการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงชั่วเวลาสูตรของหอม มีผลมากกว่าข้อสบางแห่งบอกเจริญเมตตาชั่วเวลาช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็มีอ น, นิสงฆ์มาก 6. การเจริญอ น, นิจจสัญญาคือพิจารณาความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมีผลมากกว่าข้อห้าหข้อนี้คือการทําดีที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผลมากตามลําดับ ลองนึกดูข้อบนบนเป็นทานศีลข้อห้าเป็นสมถภาวนาข้อหเป็นวิปัสสนาภาวนาซึ่งมันจะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้าต้องการให้คนพัฒนาตนผู้ที่มีคุณธรรมสูงถ้าทำบุญให้ทานก็จะมีผลมากแม้จะให้แก่ผู้ทุศีลหรือผู้มีคุณธรรมน้อยก็ตาม คือปกติผู้ทำบุญให้ทานจะทำความดีอะไรก็มักจะเพ่งเล็งมองไปที่ผู้มีศีลมีธรรมอันนี้ถูกต้องไม่ใช่ผิดแต่ว่าอีกปริยายหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการให้บุคคลไม่เพียงแต่คอยรับผลจากผู้อื่นอย่างเดียวแต่ต้องการให้พัฒนาตนขึ้นมาด้วยอย่างเช่นที่ว่าการให้ทานมีอา น, นิสงส์สู้การรักษาศีลไม่ได้ คือรักษาศีลเป็นการพัฒนาตนการเจริญเมตตาเจริญอนิจจสัญญาเป็นการนําตนไปสู่การสิ้นทุกข์พระอัถฐกถาจารย์ท่านยกตัวอย่างให้ในทักษีนาวิพังคสูตรว่าผู้ที่มีศีลธรรมสูงทาบุญให้ทานจะมีผลมากเช่นท่านยกตัวอย่างตั้งเป็นปัญหาว่า พระพุทธเจ้าให้แก่พระสารีบุตรกับพระสารีบุตรให้แก่พระพุทธเจ้าใครจะได้รับอานิสงฆ์มากกว่าตอบว่าพระพุทธเจ้าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมสูงกว่าฉะนั้นในที่บางแห่งพูดว่าผู้มีคุณธรรมดีแม้จะให้ทานในผู้ทุศีลก็ยังมีผลมาก ดังนั้นขอให้มานึกในมุมนี้บ้างว่าแทนที่จะคอยขอบุญจากท่านผู้อื่นแต่ว่าพยายามทำตัวให้เป็นคนมีบุญสร้างบุญขึ้นในตัวเราเองบางทีมีเทวดามาชมเชยพระสารีบุตรว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดีขออนุโมทนาแต่ว่าตัวท่านเองเมื่อไหร่จะดี ชาวพุทธเราชอบทอดพระป่าไกลๆอย่างนี้ก็ในระดับหนึ่งแต่ควรจะเลื่อนชั้นขึ้นมาบ้างคือในพุทธศาสนาบอกทางไว้ให้หมดส่วนใครจะไปได้แค่ไหนก็พยายามไปต่อไปเป็นหัวข้อวิธีสร้างกุศลหนึ่งสร้างจิตสำนึกในทางที่ดี หนึ่งตั้งจิตไว้เสมอว่าจะต้องระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าสังวระประทาน 2. พยายามละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วปหาณะประทาน 3. พยายามทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภาวนาประทาน 4. พยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม มีแต่จะให้เจริญยิ่งขึ้นไปอนุรักษณาประทานในบาลีท่านใช้ว่ายังฉันท่าให้เกิดขึ้นมีความพยายามปรารกความเพียรประคองจิตตั้งไว้ในเรื่องพวกนี้สม่ำเสมอคนเราถ้ามีความคิดสูงก็ไปสูงถ้ามีความคิดต่ำก็ไปต่ำ เพราะฉะนั้นให้ประคองความคิดให้สูงเอาไว้มีอุดมคติให้สูงเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมกามโมพะวังโหติคนใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเดสีปราพโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมคือคนจะเป็นคนเจริญก็ดูได้ง่ายจะเป็นคนเสื่อมก็ดูได้ง่าย ดูที่ว่าผู้ใคร่รมจะเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมจะเป็นผู้เสื่อมฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองจิตให้ละเว้นบาปอากุศลและตั้งจิตเอาไว้ในบุญกุศลความดีความชั่วทุกอย่างมันเริ่มที่ใจก่อนถ้าตั้งเอาไว้ในทางที่ดีที่ถูกต้องมันจะไปในทางที่ดีชะตาชีวิตก็จะดีดีไปเรื่อย มันเริ่มที่ความคิดดีอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงการตั้งจิตไว้ชอบการสร้างอนาคตก็เริ่มต้นจากความคิดที่ดีการกระทำที่ดีมีนิสัยดีอุปนิสัยดีอนาคตก็จะดีถ้าเริ่มต้นจากความคิดไม่ดีความคิดต่าการกระทำก็จะต่านิสัยก็จะต่า อุปนิสัยก็จะต่ำชะตาชีวิตก็จะต่ำท่านที่สูงอายุคอยสังเกตชีวิตคนแล้วก็นำชีวิตของคนที่เห็นมาสังเกตดูไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรลักษณะไหนแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความคิดต่ำก็ไปสูงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่านหิธัมโมอธรรมโมจะ อุโพสมะวิปากิโนธรรมและอาธรรมทั้งสองอย่างนี้มีวิบาคไม่เสมอกันอธรรมโมนิระยังเนติอาธรรมนำไปสู่ที่ต่ำถ้าแปลนรกว่าที่ต่ำก็ได้ธรรมโมปาเปติสุขติงธรรมนำไปสู่ที่สูงผู้ที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมก็ต้องมาเริ่มระวังที่จิตของตน พอตั้งจิตไว้ถูกแล้วก็ไปได้ด้วยดีเหมือนคนเข้าทางถูกถ้าจิตตั้งไว้ผิดก็เหมือนเดินทางผิดห่างจากสุขติไปเรื่อยชะตาชีวิตของคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทาเพราะว่ากุศลอกุศลมีพลังใหญ่หลวงต่อชีวิตคนอย่างโหราศาสตร์ผมไม่ได้ปฏิเสธโหราศาสตร์ แต่โหราศาสตร์ไม่อาจอยังถึงกรรมดีและกรรมชั่วของคนได้เพราะคนเราทำกรรมดีและกรรมชั่วอยู่ทุกวันโหราศาสตร์เขาดูได้เฉพาะพื้นชะตาชีวิตแต่ชีวิตคนไม่ใช่สแตติกมันเป็นดนามิกเคลื่อนไหวอยู่เสมอตามการกระทำที่สะสมอยู่ทุกวันคนที่ทำความดีอยู่มากๆ ชะตาชีวิตที่เขาว่าไม่ดีนั้นก็เปลี่ยนเป็นดีได้และถึงจะบอกว่าชะตานี้ดีแต่ว่าอากุศลกรรมมากมันก็เปลี่ยนชะตาชีวิตที่ว่าดีนั้นให้กลายเป็นไม่ดีได้เรื่องบุตรของเศรษฐีไปเป็นขอทานสองสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติคนละหลายสิบโกดเมื่อรวมกันเป็นทรัพย์มหฮมา แล้วก็ฝักใยนอบายยมุกเพิ่มภูนแต่อกุศลไม่ได้ทำกุศลในปัจจุบันชะตาชีวิตซึ่งน่าจะดีก็ตกต่ำจนเอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุนว่าถ้าตั้งตนไว้ดีตั้งแต่ปฐมวัยสามีก็จะได้เป็นพระอรหรันตพันรยาจะได้เป็นอนาคามีถ้าตั้งตนไว้ดีในมัชชิมวัย สามีจะได้เป็นอนาคามีพันรยาจะได้เป็นสกิทาคามีถ้าตั้งตนไว้ดีในปัจชิมวัยสามีจะได้เป็นสกิทาคามีพันรยาจะได้เป็นโสดาบันนี่คือถ้าเขาออกบวชแต่ถ้าไม่ออกบวชครองคารวาสถ้าตั้งตนให้ดีในปฐมัยจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งในเมืองนี้ ถ้าตั้งตนให้ดีในมัชชิมวไว้ก็จะได้เป็นเศรษฐีที่สองถ้าตั้งตนให้ดีในปัจชิมวไว้ก็จะได้เป็นเศรษฐีที่สามแต่บัดนี้เขาเสื่อมหมดแล้วทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกว่าโดยชะตาชีวิตแล้วเขาควรจะไปสูงมากแต่เนื่องจากความคิดเขาต่ำเขาก็เลยไปต่ำนหิีธรรมโมอะธรรมโมจธรรมและอะธรรม อุโพสมะวิปากิโนทั้งสองนี้มีผลไม่เสมอกันอาธรรมนำไปสู่ที่ต่ำธรรมนำไปสู่ที่สูง 2. รู้จักความดีที่แท้จริงกับความดีที่ไม่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรหัวข้อต่อไปนี้นำมาจากโอวาทสี่ของท่านเหลียวฝานในหัวข้อที่สคือการสร้างความดี เฉพาะหัวข้อนะครับหนึ่งสำรวจว่าเราทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนถ้าทำความดีเพื่อประโยชน์ของตนโดยฝ่ายเดียวไม่คํานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ใช่ความดีที่แท้จริงถ้าตั้งจิตไว้ว่าทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นถ้าเผื่อตนจะได้ประโยชน์บ้างก็ให้เป็นผลพลอยได้ อันนี้ถือว่าเป็นความดีที่แท้จริงสองทความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจถ้าทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เป็นความดีที่แท้จริงถ้ามีเจตนาไม่บริ ส, สุทธิ์แฝงเร้นอยู่ด้วยก็เป็นความดีที่ไม่แท้จริงความบริสุทธิ์ใจนี่สาคัญมากคนจะทํามากหรือทำน้อย หรือทาความดีชนิดไหนประเภทไหนก็ให้มีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จะเป็นความดีแท้ 3. ความดีเพื่อให้มีผู้รู้เห็นมากหรือมีผู้รู้เห็นน้อยคือถ้าเขาจะเห็นมากก็ให้เขาเห็นเองไม่ใช่เราเจตนาหรือตั้งใจจะให้เห็นเรียกว่าทำความดีไปตามฐานะของตัว ไปตามอนุภาพของตนใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ต้องสนใจแต่ว่าถ้าตั้งจิตเอาไว้ว่าทำความดีเพื่อให้คนเห็นมากเพื่อจะได้รับการยกย่องเพื่อจะได้เกียรติเพื่อจะได้ชื่อเสียงเพื่อจะได้คนนับหน้าถือตาก็ถือว่าไม่ใช่ความดีที่แท้จริงมีภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์อยู่ป่าด้วยปราถนาว่าจะได้มีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือข้าพระองค์จะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าเธอเป็นอาบัติแล้วสความดีนั้นทำถูกหรือทำผิดคือบางคนตั้งใจจะทำความดีแต่ว่าทำผิดเหมือนเด็กสองคนไปเข้าสอบคนหนึ่งตกอีกคนหนึ่งได้คะแนนสูงเยี่ยม แกก็บอกว่าเอ๊แกก็สอบนี่นาแต่ว่าคำตอบมันผิดทั้งนั้นคะแนนก็ตกทํำดีทำให้ถูกก็จะเป็นความดีแท้เช่นเศรษฐีมีเงินมากมายไก่กองเช้าขึ้นก็ตั้งโต้บริจาคเพราะเห็นว่าการบริจาคเป็นของดีคนทั้งหลายก็มาเอาเงินกันใหญ่อย่างนี้เรียกว่าทาความดีถูกหรือผิดตอบก็คือทาผิด เพราะให้ไปแล้วไม่ทำให้คนดีขึ้นทำให้คนสะเบลเทเมาเกลียดคร้านมักง่ายทำให้คนเล่นการพ น, นันไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปเอาเงินที่หน้าบ้านเศรษฐีทำมันจเจรสุจริตังพึงประพฤติทาให้สุจริตหน้าตังดุรจริตังเจริไม่ประพฤติทาให้ทุจริตอีกตัวอย่างสมมุติว่า มีผู้คุมคนหนึ่งมีเมตตากรุณาต่อคนคุกสงสารก็ปล่อยนักโทษหมดเลยด้วยเมตตากรุณาเมตตากรุณาเป็นของดีแต่ว่าผู้คุมคนนี้ทําความดีผิดเสียแล้วทะนั้นการทําความดีก็ทําให้ถูกด้วยจึงจะเป็นการทําความดีที่แท้จริงห้า ทำความดีอย่างยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมบางคนตั้งหน้าตั้งตาแต่จะทำความดีเช่นให้อภัยหรือเมตตากรุณาแต่ไม่ได้นึกถึงความยุติธรรมหรือว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงภายหลังแก่ผู้ที่ได้รับอภัยและเมตตากรุณาเช่นพระราชการฝ่ายปกครองไม่ลงโทษคนผิด หรือครูไม่ลงโทษนักเรียนที่ทำผิดพ่อแม่ทำตัวเป็นคนใจดีไม่หาวิธีลงโทษลูกที่เกเรเกียดคร้านจนผู้ที่ทำผิดนั้นเคยชินต่อความบกพร่องแล้วก็ทำมากขึ้นจนประสบความเสียหายในบ้านปลายอย่างนี้เรียกว่าทำดีโดยไม่คํานึงถึงความยุติธรรมลงท้ายก็เป็นโทษแก่คนที่เราทำดีด้วย เป็นโทษแก่ตัวเราด้วยคือไม่เป็นความดีแก่เราถือว่าเป็นความบกพร่องในการทำความดีด้วยเหตุนี้จึงต้องประกอบความดีด้วยความยุติธรรมหรือไม่ละเลยความยุติธรรมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าเผื่อความยุติธรรมมาเผชิญหน้ากับความเมตตาการุณาจะเลือกอะไรเช่น ถ้าเราเลือกเมตตากรุณาจะเสียยุติธรรมแต่ถ้าจะรักษายุติธรรมไว้ก็จะเสียเมตตากรุณานักปราชญ์ท่านให้เลือกเอาความยุติธรรมเพราะถือว่าความยุติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงในเวลานั้นเมตตากรุณาเป็นหน้าที่รองถ้าไปด้วยกันได้คือไม่เสียทั้งสองอย่างก็รักษาไว้ได้ทั้งสองอย่างเช่นเรื่องพระติสะ ท่านนั่งทมภูมิอยู่ที่สาราเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าออกบวชเมื่ออายุมากแล้วคมจีวรสีสวยนั่งภูมิเป็นพระเถระพระมาจากต่างจังหวัดเห็นเข้าก็ลงกราบเสร็จแล้วเอะใจขึ้นมาก็ถามว่าท่านพรรษาเท่าไหร่ตอบว่าผมบวชได้พรรษาเดียวพระก็ว่าเอ๊ะทำไมท่านทำอย่างนี้มันไม่ถูก ผมพรรษาเยอะแล้วท่านยอมให้ผมกราบทำไมท่านไม่ถามผมพระติสสะโกรธเอ๊ะฉันเป็นใครคุณเป็นใครฉันเป็นพระญาติพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราเห็นดีกันก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบเรื่องแล้วก็ตำหนิว่าติสสะเธอทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดธรรมเนียมของบรรพชิตพระองค์เห็นแกความยุติธรรมไม่เห็นแกพระญาติ ถ้าเผื่อจะไว้หน้าพระติดสะพระองค์ก็คงเข้าพ้างมีพระพุทธภาษ์พระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ17หน้า18ถึง19ที่พูดถึงอุเบกขาที่รักษาความยุติธรรมคืออุเบกขานี่ในความหมายหนึ่งคือเว้นอคติสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา อุเบกขานี่คือรักษาความยุติธรรมไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเว้นอคติทั้งฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติและดำรงอยู่ในธรรมคืออุเบกขาฉันดาโดสาพยาโมหาโยธรรมมังอติวัตตินิหิยติปุริโสกาลปักเขวจันดิมา ท่านผู้ใดล่วงธรรมพระฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนกับพระจันทร์ข้างแรมตรงกันข้ามผู้ใดไม่ล่วงธทำพระฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของผู้นั้นย่อมเต็มบริบูรณ์อาปูรติตัดสัยโสสักกะปักเควจันดิมา เหมือนกับดวงจันในวันเพ็ญ น, นี่ก็เป็นการรักษาความยุติธรรมอุเบกขาในที่นี้คือความยุติธรรมโดยในยะหนึ่งเมตตาการุณามุทิตาเป็นธรรมที่รักษาคนแต่อุเบกขาเป็นธรรมที่รักษาธรรมคือถ้าพ่อแม่เมตตาต่อลูกจนเกิดอาคติหรืออาจารย์เมตตาต่อศิษย์จนเกิดอาคติ อย่างนี้เรียกว่าไม่รักษาธรรมถึงคราวก็ต้องอุเบกขาเพื่อจะไม่ให้มีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีจิตเสมอกันต่อพระราหุลพระเทวทัตองคุลิมานในขมังธนูด้วยทรงมีพระไทยเสมอกันวะทะเกเดวดัดตัมหิโจเรอังคุลิมาละเก ธนาปาเลราหุเลจะสับปัตถะสมามานโสมีพระไทยเสมอกันในคนทั้งปวงคนสมัยนี้วางอุเบกขาไม่ค่อยเป็นเช่นลูกแต่งงานไปแล้วก็ไปวุ่นวายไปดูว่าลูกจะกินยังไงจะอยู่ยังไงซึ่งบางทีเขาก็ดูแลกันได้สองคนผัวเมียอันนี้ก็ขาดอุเบกขาไปวุ่นวายเกินไป อุเบกขาในที่นี้หมายความว่าไม่วุ่นวายเกินไปถ้าตั้งอยู่ในอุเบกขาจะได้ไม่ไปวุ่นวายกับเขาเกินเหตุลูกคนใหญ่คนโตก็มักจะเสียเพราะพ่อแม่วางอุเบกขาไม่เป็นทำผิดอะไรขึ้นมาพ่อแม่ก็ไปช่วยสมัยก่อนเราเด็กๆทำผิดครูตีสมัยนี้ถ้าครูตีพ่อแม่ไปดูครูพ่อแม่ขาดอุเบกขา อุเบกขาทำยากเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนต้องสำเนียกต้องศึกษาให้ดีว่าจะใช้อย่างไรอย่างพระเวสสันดรชูชกมาตีลูกต่อหน้าต่อตาต้องเอาขันติมาใช้ขันติจะช่วยประครับประคองอุเบกขาคือถ้าขันติไม่พอมาอูเบกขาไม่ได้ต้องมีขันติพอความอดทนพอถึงจะอุเบกขาได้ 6. ความดีที่ทำนั้นทำอย่างครึ่งคร่งกลางๆงหรือทำอย่างสมบูรณ์หมายความว่าการทำความดีที่จะให้ผลดีจริงต้องทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าทำครึ่งครึ่งกลางทําทำให้สมบูรณ์ก็จะเป็นความดีที่แท้จริงทำสม่าเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดการสั่งสมความดีก็เหมือนหยาดน้ำหยดลงไปในภาชนะ ถ้าสั่งสมทุกวันก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีถ้าทำทำหยุดหยุดบุญหรือความดีนั้นก็จะพร่องอยู่เสมอไม่เต็มต้องทำให้สม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆมีพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพญาลิงช่วยในพรานขึ้นมาจากเหวแล้วเขาก็เอาหินทุ่มใส่ท่านท่านก็เสียใจ แต่ว่าในไหนก็ช่วยมาแล้วเอาเถอะเดี๋ยวหลงป่าตายเสียเปล่าก็จะนำทางไปแต่จะกระโดดไปตามเก่งไม้ให้ในพานเดินไปตามพื้นดินนำทางไปจนถึงปากทางของมนุษย์ช่วยมาแล้วก็ช่วยให้ตลอดนี่เรียกว่าทำอย่างสมบูรณ์ไม่ทำเครื่องกลางกลางหรือทำแล้วทิ้งเสียกลางพันมีนิทานจีนเรื่องยืคุงย้ายผุเ ข, ขา เป็นนิทานจีนท่านเห็นว่าชาวบ้านจะไปประกอบอาชีพทางภูเขาโน้นก็ลำบากย้ายภูเขาดีกว่าตกลงกันในครอบครัวตกลงใจแล้วก็เอาเลยจับจอบจับเสียมใครไม่ทำฉันทำขุดดินไปทิ้งที่ไกลเทวดาที่อยู่ที่ภูเขาเห็นว่ายึดคุงเอาจริงเลยช่วยย้ายภูเขาให้เป็นนิทานมีคติแฝงอยู่ว่า คนเรานี่ถ้าจับทำอะไรแล้วทำจริงถึงจะไม่ใช่เทวดาจริงมาช่วยก็เทวดามนุษย์นี่แหละคนที่ทำจริงผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นว่าคนนี้ทำจริงช่วยแกหน่อยนิทานไทยก็มีสองคนตายายช่วยกันทำมาหากินตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่รวยสักทีก็ปรึกษากันว่าทำยังไงดีตาก็บอกไปวิทน้ำทะเลจับปลาขาย ทะเลปลาเยอะสองคนก็ไปวิทน้ําทะลีวันแล้ววันเล่าเทวดาเห็นว่าเอาจริงก็ลงมาถามเทวดาเลยให้คาถาไปตายายก็ขอบ้านก็ได้บ้านมาหลังหนึ่งแล้วก็ขอที่ทํากินขอเงินขอทองก็ร่ํารวยขึ้นมาเลยหรืออย่างเมฆคลาช่วยพระมหาชนกก็เป็นตัวอย่างว่าแม้ไม่เห็นฝั่งก็ยังทําความเคียน แต่ว่าทำไปทำไปก็สำเร็จนิทานพวกนี้นะครับต้องแกะเอาข้างในเหมือนข้าห่อของขวัญให้เราเราก็ต้องแกะข้างในไม่ปิดติดอยู่ที่ห่อของขวัญเจ็ 7. ความดีนั้นใหญ่หรือเล็กข้อนี้ก็ถือเอากุศลละเจตนาและประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับนั้นเป็นเกณฑ์ถ้าจิตประกอบด้วยกุศลละเจตนามาก ถือว่าเป็นความดีที่แท้จริงยิ่งใหญ่ถ้าสิ่งที่ทํานั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยในความรู้สึกของผู้ทําแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากก็ถือว่าเป็นความดีที่แท้จริงยิ่งใหญ่เช่นช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีที่ทํากินการลดภาษีอากรแก่ผู้ที่มีไรายได้น้อยการสั่งให้เอาใจใส่สุขทุกข์ของผู้เจ็บป่วย ไม่ให้ทอดทิ้งพวกเขาการสั่งสอนให้คนรู้จักความดีความชั่วให้กลับตัวจากความชั่วมาดำเนินอยู่ในทางดีมีศีลธรรมมีความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องถ่องแท้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ 8. ความดีที่ทำนั้นทำยากหรือทำง่าย ความดีที่ทำยากเป็นความดีที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นการยากเหมือนกันที่เราจะตัดสินว่าอย่างไหนเป็นความดีที่ทำยากอย่างไหนเป็นความดีที่ทำง่ายผมขอยกนิทานสักเรื่องมาประกอบอาจารย์ที่สาปามโมคมีลูกศิษย์จำนวนมากก็เป็นธรรมเนียมของอาจารย์ที่จะยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์อยากยกให้ลูกศิษย์ ก็บอกให้ลูกศิษย์ไปขโมยผ้าขโมยเครื่องประดับมาคนละอย่างสองอย่างมาให้ลูกสาวฉันแล้วฉันจะให้แต่งงานด้วยก็ทุกคนอยากได้ลูกสาวอาจารย์ก็ไปขโมยกันมาอาจารย์ก็ทำท่าดี อ, อกดีใจของดีทั้งนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าทำไมบอกว่าผมขโมยไม่เป็นอาจารย์บอกว่าก็แอบขโมยเวลาไม่มีคนเห็น เขาบอกว่านัตถิโลเกระโหนามะความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปต่ำต้นไม้ที่อยู่ในป่าก็ยังมีคนเห็นสิ่งที่คนโง่เข้าใจว่าเป็นที่ลับนั้นคิดว่าข้าพเจ้ามองไม่เห็นที่ลับเลยที่ว่างก็ไม่มีที่ใดว่างจากคนอื่นก็ไม่ว่างจากตัวข้าพเจ้าคือคนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็น ตกลงอาจารย์ก็เลยให้ลูกสาวกับคนนี้คืออาจารย์ต้องการจะทดลองคือจะให้ลูกสาวกับคนที่มีศีลอันนี้เป็นข้อความในศีละวิมังสะชาตกนี่เป็นความดีที่ทำได้ยากแต่เขาเป็นคนดีที่แท้จริงก็เป็นความดีที่ทำไม่ยากถ้าต้องการจะได้สิ่งที่ได้โดยยากท่านให้หลักเอาไว้ว่า จะต้องทำสิ่งที่ทำยากอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากเอาชนะสิ่งที่ชนะได้ยากสละสิ่งที่สละได้ยากแล้วก็จะได้สิ่งที่ได้โดยยากมันมีเหตุอยู่สีตัวแล้วก็มีผลออกมาเป็นดุลละพังละติได้สิ่งที่ได้โดยยากดุการะังกระรตติคือจะต้องทำสิ่งที่ทำยากดุขมังขมติ คืออดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากดุดชหังชหาติคือสละสิ่งที่สละได้ยากดุดชยังชะยะติคือเอาชนะสิ่งที่ชนะได้ยากดุลละพังละปฏิคือจะได้สิ่งที่ได้โดยยาก